ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะนำเสนอชันตุสูตรคือสูตรที่ว่าดยเทพบุตรชื่อว่าชันตุมีข้อความในตอนต้นว่าภิกษุหลายรูปอยู่ที่กุติป่าใกล้ภูเขาอิมาลัย อยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าครูบาจารย์แต่ละท่านก็ฟุ้งเฟอ้อเยอะยิง่งโอนเอ็นปากกล้าหัวใจสามหาวมีสติฟันเฟือนขาดสติสัมปชัญญะไม่มั่นคงมีจิตใจนอกทางประพฤติเยี่ยงคือฮะ เกิดสรุปว่าความบกพร่องต่างๆมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันแต่อย่างก็เป็นความไม่เหมาะไม่ควรคือเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มทุจริตเป็นกายทุจริตบ้างวาจาทุจริตบ้างใจที่ทุจริตบ้างหลักการเหล่านี้มันก็ทั่วไปแก่มนุษย์ทั้งหลาย คือถ้าขาดการกำกับควบคุมระมาดระวังแล้วแล้วก็เหมือนกับคติของไทยที่บอกว่าเมือม่อแมวลายไม่อยู่หมูรายเริงไอความมนุษย์เรานั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการกำกับควบคุมจากคนอื่นให้ได้ก่อนในตอนแรก แล้วค่อยๆกำกับควบคุมตัวเองได้จนกลายเป็นมีวินัยภายในตัวเองแต่ความคิดในแนวนี้วันก่อนได้ฟังรายการถึงลูกถึงคนแล้วก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ค่อนข้างแปลก ท่านผู้หนึ่งใหญ่เติบโตมาจากสหรัฐอเมริกาชื่อเขายัางเป็นอเมริกาเลยแล้วเคยทำงานในทีมงานรอปรพ อ, อดีตประธานาธิบดีบินครินตันมาแสดงความคิดเห็นกับคนระดับด็อกเตอร์แล้วก็รู้สึกจะเป็นรองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยนะ่ะไม่แน่ใจ ถึงพฤติกรรมของคนที่กราหาดาทอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็โตตอบกันคือแปลกที่ท่านถือว่าเป็นความชอบธรรมและเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ทำได้เรคฟังแล้วก็ตกใจนะฮะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแหละมันเป็นการเรื่องบันดาลโทษะด้วยกัน ทีนี้พอมันเป็นโทสะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวิจีทุจริตมันมาหมดทั้งชุดเลยมายความมาเรื่องที่นำมากล่าวหาท่านนายกก็ดีหรืออีกควายหนึ่งที่โต้อตอบก็ดีมีเป็นอันมากที่เป็นเท็จยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบเพะเรามาพูดเนี่ย คำวมะเทศก็คือเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้มาด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปตัดสินชี้ผิดชี้ถูกเขาแล้วแล้วก็ยุยงให้เกิดความแตกแยกราฉานขึ้นภาในชาติบ้านเมืองแล้วคำแน่นอนด่าทั้งนั้นหยาบทั้งนั้นหยาบทั้งคู่นั่นแหละ แล้วก็มีเรื่องเป็นอันมากที่ร้ายสาระคือเพื่อเจิดเรือไหลกระอยังนึกว่าคนระดับเป็นครูบาอาจารย์สอนมาวิาายทยาลัยทําไมจึงคิดได้อย่างนั้นคิดแต่จะปกป้องตัวเองเท่านั้นเองถือว่าการกระทําตัวเองนั้นของตัวเองนั้นถูกต้องหมดคือสิทธิกับหน้าที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน สิทธิของมนุษย์ไม่ได้มากอะไรแล้วแต่ว่าหน้าที่ของคนเนี่ยคือเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึง่งว่าท่านนายกนั้นตำแหน่งนายกตัีเนี่ยจะเป็นใครก็ตามล่ะมันผ่านการ ก, ารกลักรองมาจากประชาชนแล้วก็เป็นมติส่วนใหญ่ที่ตรงต่อรัฐมนูญ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเกิดขึ้นโดยพระบรมราชวงการเป็นผู้นำทางการบริหารในพระปรามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระโจ้อยู่หัวต่อบทบัญญัติแห่งรัฐมนุญใครก็ไม่รู้เราเราเร า, เรามีสิทธิ์จะรู้มีความรู้สึกเป็นการสวดตัวได้แต่ว่าเมื่อเขายังสวมขนตรงนี้อยู่เราต้องให้ความเคารพนี่คือหลักแหละ มันแสดงถึงความมีวัฒนธรรมความมีอารยธรรมของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราเป็นชาวพุทธด้วยแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณลักษณะของชาวพุทธเนี่ยเคือ่องตยาัยอ่อนโยนแต่อตยาใสมันอยู่ข้างในอะใครจะรู้ได้ยังไงว่าอ่อนโยนหรือไม่อ่อนโยนมันก็ต้องออกมาข้างนอกเป็นกิริยาอาการที่อ่อนน้อม แล้วก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานซึ่งการต่อสู้ขัดแย้งกันในลักษณะ น, นี้มันรวมหมดเลยทั้งสามอย่างหรือว่าจิตใจก็หยาบกระด้างวาจาก็หยาบแล้วกิริยาการก็ไม่เหมาะคือถ้าเราถ่ายเป็นวิดีโอมาถ่ายเป็นภาพยนตร์มาแล้วก็เปิดดูตัวเองเนี่ย โดยเช่นว่าเป็นภาพที่น่าสะลดใจแต่เมื่อเราเกิดนิยมใช้กฎหมายคือใช้สิทธิก็ยังนึกไม่ออกนะฮะสิทธิตรงนี้ที่จริงไม่มีอะสิทธิด่าคนอื่นไม่มีเลยแล้ด่าซึ่งหน้าเนี่ยเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วค้นโตมาจากเมืองนอกโดยซ้ำไปเป็นหัวอนุรักษ์ความเป็นไทย แล้วหน้าตาของท่านปุณิย์กก็ยังนึกว่ามันน่าจะมีเชื้อส า, ายทางนิโครหรือทําไปแต่ว่าจิตวิญญาณของความเป็นไทยเอาฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกประทับใจเขาเคยดปฟังก็แสดงความคิดความเห็นหลายครั้งคนนี้เข้าทีนะแต่ว่าพื้นฐานในการศึกษาอะไรต้องเป็นยังไงก็ไม่รู้เคยรับราชการที่สหรัฐอเมริกามา ลักษณะเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือฟุง้งซ่านฟุ้งเฟอ้อเป็นอยู่หรูหราฟู่ฟ้าฟุ้งเฟอือยนะก็หมายความมาปัจเจสีทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างเกินความจริงเขาเรียกว่าเป็นอยู่แบบคือหัดมีลักษณะฟุ้งเฟอ้อแล้วอาการเนี่ยบางทีเนี่ยเราเกิดโดยไม่รู้สึกตัว คือมันเยอะยิงอย่างพระที่อยู่ป่าเนี่ยถ้าไม่เรามัตระวังตัวให้ดีแล้วโอกาสที่จะเยอะยิงหลงตัวนี้ได้ง่ายมากเอ่อคิดว่าตัวเองเป็นพระกรรมฐานแยกเป็นพระป่าเป็นพระบ้านเป็นอรัญวาสีเป็นคามวาสีบอกว่าพวกตัวเองเคร่งกว่าพวกที่อยู่บ้านโอกาสที่จะเยอะยิงเนี่ยมีได้ง่าย แล้วก็เคยเจอมาเยอะแล้วแล้วเคยดูหลายรูปเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่มันอยู่ที่จิตใจซึ่งลดละตัณหามานาทิฏฐิลงคนเราไม่จำเป็นหรอรูปแบบอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้ากิเลสได้จางคลายลงไปก็ถือว่าถูกตั้ง แต่อาการเยอะยิงเนี่ยเป็นอาการของมานะมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจากการสังเกตกับบหาสมาคมเกี่ยวข้องกันมานานนะฮะคือมีความรู้สึกอยู่ว่าสิทธิของสานักหนึ่งก็เรียกได้ว่าเกือบจะทั้งสํานักเนี่ยนะเหมือนก็นเลคืออัตตาจะเขื่อง แต่ว่าพูดเรื่องการปล่อยวางจะเน้นเรื่องการม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่อัตตาแต่ละคนนี้จะเืองมากเลยแล้วจะให้ความท้การเก็กตัวเองกับครูบาอาจารย์กับตัวเองไม่เลยนึกพู้เจ้าว่าจะไงเคยไปร่วมประชุมกับคนเหล่านี้คนเยอะประชุม ปรากฏว่าแต่ละคนอ้างวาทะของอาจารย์ตัวเองมาทั้งหมดไม่มีใครพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเลยเามา เ, าเลยต้องเบรกเอาอย่างแรงนะวันนั้นนะบอกว่านี่เรากำลังพูดเรื่องพระพุทธศาสนานะไม่ได้พูดเรื่องอาจารย์อาจารย์คุณว่าอย่างไงเนะ่ะ สมมตว่าถูกต้องมันก็ว่าตามพระพุทธเจ้าเพราะเรียนมาจากพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเราต้องการเชืิดชู ก, ก็ต้องเชืิดชูพระพุทธเจ้าไม่ใ ช, ชาาเ่เชื่อชูอาจารย์พอถ้าเชื่อชูอาจารย์เนี่ยมันก็กลายเป็นความแตกแยกตอนสมเด็จพระสังฆราชเป็นสมเด็จสังฆราชใหม่เนี่ยเรามีระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยนะคือตกลงว่าจะไม่ให้ มีการทำเหรียญพระรูปสมเด็จพระสังฆราชตาภาสงคมทุกคระ้งขออนุญาตเป็นรุ่นแรกเลยก็เราสั่งให้ตาเป็นคนชี้แจงที่แจงในแนปฏิเสธนะและอธิบายให้เขาฟังว่าถ้าเราจะทำเหรียญเนี่ยถ้ายังถึงก็จะเล่นเหรียญกันอยู่ก็ให้เล่นเหรียญที่เป็นพระพุทธรูป หมายความว่าเป็นศาสนิกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นคนนั้นลูกศิษย์อาจารย์นั้นคนนั้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นแล้วก็ลืมพระพุทธเจ้าอธิบายไปทั้งสองสามหน้านะฮะตัวนี้ส่งตัวแทนมากราบแล้วก็แสดงความชื่นชมแล้วก็เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งแล้วเขาก็ไม่เคยขออีกเลย นี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราทำยังไงว่าให้พวกนี้มันลดลงไปแล้วก็โอนเอ็นคือไม่มีหลักมีเกณฑ์นะพวกโอนเอ็นไปโนเอมาไหลไปตามกระแสะอารมณ์ไม่มีหลักคือจับทางอะไรไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรจริงๆไม่ได้ ทีนี้เพราะว่ากล่าวตักเตือนเข้าเนี่ยมันไม่มีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ก็ห่างครูก็ห่างอาจารย์ก็ห่างก็มาอยู่กันเองมันก็อัตราก็ใหญ่ด้วยกันใหญ่ด้วยกันต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันไม่ยอมกันเมื่อพูดถึงปากเงกล้าปากกล้ามันก็อดเป็นวาจีทุจริตไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยประการสาคัญอย่างยิ่งเนี่ย คือบางครั้งเนี่ยแม้ผู้ฟังไม่ชอบใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แล้วก็เราก็มุ่งที่จุเคราะห์คนเหล่านั้นเราก็ต้องกล้าพูดพูดดนจิตคิดอนุเคราะห์ไม่ได้พูดดนจิตต่กัดด้ดางเพราะว่าถ้าเราขืนคิดกันอย่างนี้แล้วในสุดศาสนาเนี่ยก็แตกเป็นเสียง เมื่อก่อนมีข่าวรู้สึกวณนวันอังคารนะฮะวันอังคารที่ยี่สิบยี่สิบสองสิงหาคมมีข่าวเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีของท่านธรรมชโยชีวัดพระธรรมกายมันไม่เกินคาดหมายมาพูดมาตั้งแต่ต้น บอการฟ้องในลักษณะนี้มันไม่มีทางที่จะชนะหรอกมันมีทางที่จะเอาผิดก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนสมัยใหม่นี่มันไม่ได้คิดแบบคนสมัยเกา่าแต่เราเทียบเคียงความคิดของพวกนี้ก็เหมือนความคิดของคนที่สารัตคนที่สารัตเนี่ยเขาสร้างวัดเนี่ยเขาซื้อที่ดินในานามมูลนิธิ แล้วในตาสารมูลิธิเนี่ยมาระ บ, บุเอาไว้เลยว่าสามารถขายได้เพราะงะั้นเมื่อเขาเห็นว่าที่มันแคบไปตรงนี้มันดีขึ้นดีก็ก็ขายเลยเดีย๋ยวไปซื้อใหม่เพราะงัในการถวายที่ท่านธรรมชโยก็มีลักษณะอย่างนั้นมาไม่ต้องอ่านหรอกพอพออ่านปับ๊บเราก็ดูทางออกแล้วมาแสดงว่าเขาถวายท่านเป็นการส่วนตัว เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการกับที่ดินแปลงนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้แก่มูลนิธิและมูลนิธิจะมีจาสารบอกไว้ก็สามารถจะจำหน่ายใจโอดได้มันไม่ได้เหมือนกับที่ธรณีสงที่กาลปนาที่จะต้องอาศัยพวกกฎหมายพระราชบัญญัติจากบ้านเมืองอันนี้มันเป็นเป็นข้อตกลงอะ เป็นข้อตกลงการระหว่างผู้ถวายกับผู้รับถวายตึง ก, ก็มั่นใจในครูบาอาจารย์เขาเหมือนการถวายในแนวนี้ที่จริงมีเยอะแต่คนไม่เข้าใจเพราะคนยังคิดแบบเดิมวันก่อนที่ไปที่สุราษฎร์ในขณะที่ฉันเข้ามีพระเทระรูปหนึ่งอายุท่านเจนะ็ดสิบเจ็ด ท่านบอกว่าพวกเราในเคร่งเกินไปกับโรงแรมเนี่ยคล้ายๆกับพระเข้าไปไม่ได้มาก็บอกว่ามันเป็นความคิดโบราณคือภาคใต้นี่อาการหนักกว่าภาคอื่นนะภาคใต้เนี่ยพระเข้าไปสัมมนานในโรงแรมประชุมในโรงแรมโอมเยอะมีคนกลุ่มหนึ่งทำดีตีเตียนเพราะว่าแกอาศัยความคิดดั้งเดิมโบราณที่บอกว่าโรงแรมก็คือที่ของผู้หญิงหากิน ถึงลักษณะความรู้สึกเหล่านี้ที่จริงก็มีนะอาตมาในครั้งแรกไปที่โรงแรมปาร์คไนเลศเนี่ยโรตารีนน่นี่บุนไปนี่มุนไปกลางคืนด้วยไปบรรยายรวมโรตารี่แม้คนจะแห่เข้าไปะนะห้อมล้อมเข้าไปแต่เรายังรู้สึกว่าหลังเย็นเหมือนคือเม่คุ้นเคย ต่อมาก็ไปบรรยายบ่อยเข้าไปอบรมไปสัมมนาบ่อยเข้าก็เลยก็คุ้นไปอ้นี้ก็คือคือเรื่องของของของความไม่เข้าใจแล้วก็ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารเพราะะ้อนพระเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นคือท่านห่างไกลห่างไกลจากศาสดา ห, ห่างไกลจากครูอาจจะห่างไกลจากอาจารย์แล้วก็มาอยู่คนระดับเดียวกันเนี่ย ปัหาคนเป็นหลักไม่ได้คนชี้ขาดไม่ได้พอท่านก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่ปากกล้าเฉยๆนะท่านบอกว่าวาจาสามหาวหรือพูดเรื่องพูดไม่ควรพูดก็พูดแล้วก็มีสติฟันเฟือนอยู่ป่ามีสติฟันเฟือนมีปัญหานะฮหรือการอยู่ป่าเนี่ยต้องการฝึกสติโดยเฉพาะ หมายความอ่สติสัมปชัญาะความเพียรเนี่ยต้องมีอยู่กับจิตใจแหละเปเลยเ ล, ลงลืมพลังพลาดไม่ได้แต่เบนเนี่ยจากการสังเกตว่ามันเปลี่ยนแปลงในวัดป่าทั้งหลายเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแ ป, งปลแปงจนจนรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าท่านจะอาศัยรูปแบบเนี่ยแล้วมันก็เกิดอาการอย่างนี้ เกิดอาการที่สันตุเทพบุตรท่นว่าเนี่ยเราไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเคร่งครัดเป็นอะไรคนบางทีก็ปลุกเสกกันจนเป็นภ ร, ริยาไปทีนี้พระสติพ้นเพลิมก็ขาดสติสัมปชัญญะทั้งหมดจึงเป็นอาการของการขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะ จ, จิตใจก็ไม่มั่นคง ก็เตลิดออกนอกทางจิตใจไม่สงบเพราะอย่าลืมมาการปฏิบัติเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ถึงใจอ่ะคือก็ถือว่าพรหมจรรย์นั้นยังไม่บริสุทธิ์ใจยังเียวนึกตรึกนึกด้วยความมาคาตพยาบาทยังเดียวนึกตรึกนึกด้ราคาตยังเดียวนึกตรึกนึกด้วยโลภะอยู่เนี่ยหรือริษยาอยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจิตใจ มันไม่อยู่ก็ร่องกรรอยแล้วก็พอพฤติกรรมแนวนี้เราก็เห็นชัดว่ามันก็แบบเดียวกับชาวบ้านเป็นหมายความไม่ต้องบวชก็ทำได้อย่างเงี้ยไม่จาเป็นต้องบวชหรอกทำได้ในวันบวชสุดวันหนึ่งเนี่ยชันตุเทพบุตรทัานเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วก็กล่าวด้วยคาถาคือคือเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรงของคนที่เคยเข้าไปอยู่ในป่ามันเป็นเพียรในป่าเนี่ยอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยมหงกุฎราติยาไัยเนี่ยของมาจุลาเองก็เหมือนกันคือหลังจากจบปี4ีตอนนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศข้อเขียนหรอกแต่จะเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติก่อนคือเข้าป่าเลย มหาวิทยาลัยมังกรราชวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะไปที่วัดเขาสุกริมที่จังหวัดจันทบุรีของอาจารย์สมชายแล้วก็ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนใหญ่นี่ก็จะไปทางที่จังหวัดเพรชรบูรณ์นะฮะที่เครือสวนสวนก็แต่เท่าที่รู้เนี่ยคือรู้เรื่องพระ ไม่ใะอะไรมองกุฎราชเก่ไหลก็เทวดาในป่าเนี่ยท่านดุนะบางทีเนี่ยบางทีไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในกรรมฐานโดนลากเลยนะบางทีโดนลากลงยากุติเลยลากขาลงมาเลยบางทีก็โดนตักเตือนสารพัดวิธี ผลประสบการณ์ตรงนี้มันก็มีเสมอพระที่จเจริญกรรมาฐานจะริกอยู่ในป่าเนี่ยจะมีประสบการณ์ในแนวนี้แต่ไม่ใช่ทุกองนะครับองที่ไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเจอที่พระซึ่งมีปัญหากับพระที่ไม่มีปัญหาคือหมายความมาดีจนเทวดาเลื่อมใสเทวดาก็ปรากฏตัว แต่ปรากฏตัวในฐานะของศาสนิา ท, ที่ให้ความเคารพนับถือพระเหล่านั้นอย่งางประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นเช่นยกตัวอย่างว่าอาจารย์ศรีที่วัดป่าของกุงมั่นกุงหรือของกุงที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็เทวดามาปรานาท่านให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หรืออาจารย์ภัยบู์ที่จังหวัดพะเยาที่วัดป่านาลโยอนี้ก็เทวดามาบอก ท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปทำที่นั้นที่นั้นแล้วก็จะมาช่วยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ก็ช่วยเพราะประสบการณ์แนวนี้มันจะมีแต่ก็ไม่ใช่ทั่วไปนะฮะหมายความว่าก็ต้องดีถึงขั้นที่เทวดานับถือก็แล้วกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าแย่จนเทวดามันไสรำคาญมันก็จะเจออย่างพระเหล่เนี้พระนักศึกษากมาวทิทยาลัยบางกุฎาทลัยรนี่ จากการสังเกตว่าพอจบปีสี่เนี่ยจะเรียบร้อยลงไปเยอะเลยตอนปีสามปีสี่ภาคแรกท่านเหล่านี้จะคล้ายๆกับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มักจะมีประเด็นมีหัวข้อในการถูกเถียงในการอภิปรายอะไรเยอะแต่ว่าพอเข้าภาคสนามเนี่ยเข้าสู่ภาสนามก็จะโดนอย่างเนี้ย แล้วบางทีพวกลูกเทวดาพวกภูมิเทวดานะมาเขาก็ามาแรงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ให้สติตักเตือนไปถึงก็ไปเบียดเบียดล้างผลาญอะไรเราเพราะก็กลัวบาปเอนทีนี้ท่านชันตุเทวบุตรเนี่ยท่านท่านมาถึงท่านท่านเท้าความเลยท่านบอกว่าครั้งก่อนภิกษุผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมเป็นอยู่ง่าย ไม่เป็นผู้มักได้แสวงหาบิณฑบาตไม่มักได้ที่นอนที่นั่งเออท่างฟังจะสังเกตนะว่าตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเหตุการณ์หลังพุทธกาลหรือว่าตอนปลายพุทธกาลเพราะว่าข้างต้นเนี่ยท่านบอกว่าห่างกระาพุทธเจ้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยท่านบอกว่าสาวกของบาสมะนาโคดม เป็นผู้อยู่ง่ายไม่เป็นผู้มักได้แสวงหาบินทบาติมายความการบินธบาตของพระถ้าพูดถึงอยู่ป่า <c oughs> ไม่มีภารกิจในการเลี้ยงดูคนก็บินบาทเท่าที่เท่าที่จำเป็นจะต้องฉันแต่ว่าในปัจจุบันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีภาระต้องเลี้ยงดูคนเยอะ คืออย่างนึกเล่นๆ น, นะะนึกเล่เลนๆว่าพระเนี่ยไม่มีเมียแต่มีลูกเยอะเลยคือเรานึกดูว่าคนเวลาเนี้ยบ้านหนึ่งจะมีลูกให้เลี้ยงดูถึงเก้าคนสิบคนหรือสิบสามสิบสี่สิบห้าคนหายากมากๆนะฮะแต่พระนี่มีเยอะลูกศิษย์ขนาดนี้มีเยอะเลยต้องเลี้ยงดูเด็กจำนวนมากอ่ะ นั่นคือปัญหาในงานสังคมสงเคราะห์เพราะว่าปุเจ้าทรงวางหลักเอาไว้ไว้สงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้อมใจงดงามบริการเกิดของของสามเณรรีไม่ใช่ของของสามเณรเนี่ยนะมันก็เกิดจากเนี้ยต้องการจะสงเคราะห์ชาวบ้าน เพราะว่าครอบครัวก็มีปัญหาพ่อแม่ถูกโจรฆ่าตายไม่มีญาติพี่น้องเลี้ยงดูเด็กยังเล็กจะเอาไปไหนล่ะวัดก็ต้องเข้าไปช่วยแต่ยังมองว่าวัดเนี่ยมันน่าจะมะีโครงสร้างอีกอย่างหนึ่งต่างหากอหมายความว่าคนที่ดูแลเด็กเนี่ยมันน่าจะเป็นอุบาสกปสิกาหรือเป็นมันชีนะ โดยเฉพาะเด็กที่อนาถายากจนขัดสนเนี่ยเราก็น่าจะมีมูลนิธิในลักษณะอย่างนั้นแต่คนเลี้ยงดูต้องเป็นอีกพวกหนึ่งตุนพระก็ต้องมีหน้าที่ในการสั่งสอนในการอบรมในการให้วิชาความรู้ด้านต่างๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการดูแลเด็กมันก็ต้องมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชาย เป็นคนที่เหมาะที่สุดคือแม่ชีเป็นคนที่เหมาะที่สุดแต่ว่ารัฐบาลต้องมองบุคลากรกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ของพวกตัวเองอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโ ข, ขทัยรู้สึกว่าจะมรณภาพไปแล้วตอนนี้มีสัมมนากันที่ศูนย์วัฒธรรมแห่งชาติ ท่านพูดเปลยๆขึ้นมาประโยชน์เล้ท่านบอกว่าพวกเรามาแรงงานราคาถูกเกี่ยวว่าความทำงานเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรอ่อกนั่นก็แสดงถึงภารัฐเองต้องการจะใช้บุคคลกลุ่มนี้ขึ้นมาให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่มีอยู่นี่ถามานใช้ได้ แล้งานที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมเนี่ยเอาก็จะแก้ไปได้เยอะตรงนี้เราลองสังเกต น, นะว่าชีวิตแบบพระเนี่ยมันชีวิตเขาเรียบง่ายอะ่ะก็อยู่เรียบง่ายแต่ยังมองว่าสังคมก็กเปลี่ยนคือต่อมาอยู่วัดบวรใหม่ๆเนี่ยโอ้บินท บ, บาทลำบากมากโอกาสที่จะได้อิ่มท้องเนี่ย ก็ยากนะเจ็ดแปดปีแรกเนี่ยจะยากมากแต่ใ น, นปัจจุบันคนตักบาทเยอะมากมากตักบาทมาความมัท า, าพราธิีโลบหน่อยแล้วก็รับได้เยอะนะท่นก็สแสดงถึงชาวบ้านอาจจะมีศรัทธาในศาสนาหรือว่ามีการเชิญชวนชักชวนกันแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ ไม่อยากได้ไอ้ที่หรูๆอะไรที่นั่งที่นอนหรูๆทั้งหลายเยนะี่ก็เป็นในสันโดษในปัจเจศีท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงกระทําที่สุดแห่งทุกได้คือหมายความว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เห็นไตรลักษณ์พวกเนียังไม่เห็นไตรลักษณ์กันนะตามความเป็นจริง แล้วต้องเห็นครบทั้งทั้งสาวนะฮะต้องเห็นครบทั้งงานนิจจ์นะทุกขังทางนาตาจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทรงใช้คาว่าเอสามะโควิสุทิยาเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกขธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นนัตตาเมื่อนั้นเขาจะหน่ายในทุกข นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเพรา ะ, ะนั้นจะเห็นว่าใจรักเนี่ยที่จริงควรจะคิดไว้บ่อยๆอะไรก็นึกถึงใจรักไว้เรื่อยๆแม้จะจับประเด็นเดียวในจับคํามาไม่แน่ไว้สักอย่างอย่าไปคาดหวังอะไรมากเกินไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นมันก็เป็นไปยากนะคือในแง่ความจริงเนี่ย เราไม่สามารถบังคับควบคุมอะไรได้นอกจากจิตใจของเราเองแต่เรานิยมชมชอบไปบังคับควบคุมคนอื่นแล้วก็ออกมาในลักษณะสั่งการบงการเอ่จากการที่มีการเรียกร้องให้ท่านนายกลาออกเนี่ยมันก็เกิดสะดุดใจเหมือนกันเพราะเอเอรัฐมนูษนี่ที่ยิงบกพร่องนะ คือรัฐธรรมนูนไม่ได้เขียนทางออกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เ, เพราะนายกที่จริงก็คือก็คือมนุษย์อะก็คือสังขารนี่จะต้องแตกดับสมมุติว่าเวลานี้สถานการณ์ตอนนี้สมมุติว่าท่านนายกลาออกเนี่ยแล้วนายกจะมาจากไหนมันไม่มีทางมาเลยนะฮะเพราะต้องมาจากสสเวลานี้ไม่มึงสสแม่แต่คนเดียวเลย ตอนเอในคราวราวหนึ่งที่ไปเสนอมาตราจเจ็ดอะไรกันจนจนเละเทไปหมดเนี่ยยังนึกเหมือนกันว่าเออพระธนูนคุณลืมคิดไปว่าคนเนี่ยตายได้แล้วถ้าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วทำยังไงไม่มีกฎหมายพิเศษอะไรให้ทางไว้หาทางออกกวไวแต่ว่าคนที่เรียกร้องก็ไม่เคยบอกทางออกว่าถ้าออกแล้วจะออกทางไหน คือมองมองออกฎหมายเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเอามาอ่านดูยังไม่จบอะ่ะฉันนึกว่าเออพวกนี้ลืมกดใตลักษ์เลยลืมกดไตลักษ์เยอะเลยเพราะถ้าไม่สอดคล้องกับกฎของไตลักษ์เนี่ยมันจะมีปัญหาในขณะที่สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงอะและ้วคุณจะว่ายงไง อาสมมติว่าอยู่ในช่วงที่มีพระราชกิจกาที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วคนที่สมัครสอสอนี่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรไม่ได้แล้วถ้าแม่ตายทำไงดีหรื อ, อน้องแต่งงานทำอย่างดีญยติตายทำไงวันเกิดครูบาอาจารย์ทำไงก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะ ยังนึกว่าเราออกไปมากอย่างนี้อย่างอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอาจารย์คนหนึ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นชื่นชมคนที่ต่อต้านทนายกเนี่ยแต่อ้างว่าเป็นสิทธิอันชอบรมตามรัฐธรรมนูญยังนึกไม่ออกรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจคนละอย่างกันว่าเราไม่มีสิทธิที่จะไปด่าทอใครแต่มีสิทธิแยกเกลียดนะ มีสิทธิที่จะเกลียดมีสิทธิ์ที่จะรักใครก็รักไปเถอะเกลียวไปเถอะแต่ว่าไปออกอย่างนั้นไม่ได้กฎหมายคุ้มครองมนุษย์ไว้ถ้าไปละเมิดจนถึงก็ผิดกฎหมายโดยมันก็ผิดศีลด้วยนะฮะแล้วท่านก็บอกคุณลักษณะท่านเหล่านั้นหมายความว่าพระกลุ่มนั้นกลุ่มที่ท่านเข้าไปหาในวันปฏิโมกเนี่ยบอกว่าส่วนท่านเหล่านี้ พูดงกับพวกคุณน่ะพวกท่านนั่นแหละทำตนให้เป็นคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบ้านที่โกงเขากินกินๆแล้วก็นอนเทียบระจบไปในเรือนคนอื่นอ้ดหมากแก่แต่มาว่าดีนะคือยังนึกว่าถ้าเราเจอพระมีลักษณะอย่างนั้นแล้วคนก็ว่ากล่าวแต่ว่าอย่าใช้ว่าพระเดี๋ยวนี้ กพระรูปนั้นรูปนี้รูปน้องก็ว่าไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอยากจะว่าก็ว่าถ้าจริงแต่ว่าถ้าเราทำในจิตเมตตาเนี่ยไม่จําเป็ น, นต้องอพลนนาเขาเรียกพลนนาเรียบ่นว่าบ่นว่ากับพลนนาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์บ่นว่าเราเสียสุขภาพจิตปเปล่าเปล่าพลนนานั้นมันทําขยายเรื่องเลวร้ายให้ความขวางออกไปแล้วเมื่อ เขาเรียกว่าออกจากปากเข้าหูออกแก้รูมันเลื้อยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นพระเดี๋ยวนี้เพระว่าเดี๋ยวนี้ก็หมอหมดเลยแล้วในพระเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะมีพระอาราหันต์อยู่สักกี่รูปก็ไม่รู้พภาริยาบุคคลระดับต่างๆสักกี่รูปเราก็ไม่รู้นะเราด่าท่านเดียเ๋ยวนี้มันก็เป็นอันตรายเป็นบาป ร, ารับผิดชอบไม่ได้นะ รับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าว่าพระรูปนี้แล้วก็รับผิดชอบได้ถ้าเราเห็นจริงแต่ว่าอย่าใช้ข่าวลือและแกนเออข้าพเจ้าขอทําอัญชลีต่อท่านขอพูดกับท่านขอพูดกับพวกท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกขอทอดทิ้งหมดที่พึ่งเหมือนกับเปรตเปรตเนี่ยแปลว่าพู้ละไปแล้วหรือพูดจากไปแล้วหมายความว่า คนประเภทยอย่างเงี้ยไม่เป็นที่ต้องการของพระพุทธศาสนาเป็นอยากเยื่อเป็นสิ่งปฏิกูลแล้วก็ก็ท่านก็ดีนะฮะคื อ, ค, อคือเราเห็นว่าวิธีพูดนี่ท่านรับผิดชอบแต่บอกว่าที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้หมายเอาบุคคลจำพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านพวกใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนนะุสการท่านพวกนั้นคือแยกประเภท ไม่ใช่ว่าเหมาโหลพูดกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือบางทีเราเหมาโหลแล้วก็ยุ่งนะแต่พระเดี๋ยวนี้แม้แต่ใช้คําว่าพระวัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะพระวัดนี้มันมีเยอะแล้วเราบ้าท่านไม่ดีหมดทั้งวัดเตี่เรารู้ได้ยังไงอ่ะเพราะในความรับผิดชอบเนี่ยถือถือถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะ คือมีคำพูดเยอะมากๆเดี๋ยวนี้ที่รับผิดชอบไม่ได้และสังคมนิยมพูดกันอย่างบทความต่างๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเมืองนะฮะเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับคนก็แล้วกันพวกนี้เกี่ยวกับค น, น, ร เ, บคนเราจะเห็นขานขาดความสุจริตเยอะมาก แม้แต่ขึ้นต้นโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรต่ออะต่างเนี่ยอันแล้วเราก็นึกไม่ออกนะว่าคนขนาดด็อกเตอร์คิดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นวิชาการวิชาการจะดีนะวิชาการก้าวหน้าต่างๆเนี่ยดีแล้วแม้แต่รายการรายงานสถานการณ์โลกเนี่ยก็ต้องระมังระวังเหมือนกันบางทีเอียงเลยเห็นชัดเลย ทีเองเช่นว่ามีคนลัมนนดคนหนึ่งพูดตะวันออกกลางแล้วปกป้องตลอดเลยเชียตลอดดีตลอดเลยแต่คนอื่นไม่ดีหมดข้อที่น่าแปลกก็คือประสูตินี้จบลงวงๆวนน่จบลงเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าพระก็คง ง, งั่นนะนิ่งเทวดาโผลพูดขึ้นมาใน ง, งงแล้วก็เสกเอาแรง แต่ถ้าเราเห็นอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ภายใต้การรับรู้ของ เ, ออเทวดาที่มีเทพปปเนตรคือหูชิปตาชิปแล้วก็ทิปประกันคือหูชิปอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆมาเสดายความคิดเยอะของบรรพชนไทยโดยเฉพาะความคิดที่ว่ามิทองหลังพระ ความคิดที่ว่าอายผีสางเทวดาเขาความคิดที่ว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นเมื่อกระทาความดีหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าถ้าทําชั่วโยมาบาลจะจดไว้ในหนังสุนักแต่ทำดีก็จดไว้เป็นแผ่นทองคําอย่างเงี้ยคือถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้มันจะทําให้เกิดการรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว แล้วก็จงก ร, ประปุทธรรมระท่วานติโลกเกระโหนามาปาร ะ, ะกรมมังอากุปโตวความลับในการกระทำบาปไม่นีแต่ในขณะเดียวกันกวามลับในการกระทำบุญก็ไม่มีนะบาปก็บาปเลยบุญก็บุญเลยไม่จำเป็นจะต้องมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามทีนี้การกล่าวของเทวดาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเมตตาจิตนะเทวดาเป็นกัลยาณมิตรมากล่าวด้วยเมตตาจิต ซึ่งหกการตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลเป็นเห็นบัณฑิตที่มีปัญญากล่าวคมขีชี้โทษให้เห็นเหมือนคนที่บอกคุม้มซับให้ฉะนั้นควรครบบัณฑิตฉะนั้นไว้เพราะเมื่อคนคบบัณฑิตฉะนั้นอยู่ย่อมมีแต่คุณหาโทษไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ และเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุในหะ้มามาอยู่กรุงเทพเนี่ยคือมาเทศตั้งแต่บวชได้สิบห้าวันในเทศอ่อานคำพียโยงฟังตลอดทุกคืนในวันเสา3ามเดือนว่าไปเก้าสิบเปรกกันบางวันสองกันนะฮะวันวันธรรมะสวารนี่สองกันเลยแล้วก็ต่อจากนั้นมันก็ไม่มีคำพีจะอ่านเราก็เทศปากเปล่า เท่ก็เป็นที่นิยมชมชอบของพระเทระสนับสนุนไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปในแวดบงจังหวัดนครเนี่ยก็เกือบทุกอำเภอแต่เราก็สงสัยตัวเองไอ้ที่เราพูดมันถูกหรือเปล่ามันอาจจะมีผิดอยู่บ้างแต่เราก็ไม่ได้จะถามใครนะเพราะว่าเราก็ผู้หลับผู้ใ ย, ยที่พอจะปรึกษาจะสอบถามอะไรนี่ก็ได้ยากเลยก็มาศึกษา เพราะอยู่ที่วารอเนี่ยมันก็มีพระเถระสมัยนั้นมีพระเถระเยอะที่เราจะศึกษาเฉพาะทางเช่นพระไตรปิฎกธรรมะเป็นหลักเนี่ยะสมเด็จพระสังฆราชแต่ตอนที่เป็นภาษาสนโสภุลกับสมเด็จพระญาณสังวรนะฮะไม่ใช่ตอนพระสังฆราชแล้วก็จะคุณ ญ, ญาณอุดมนี่เก่งในทางพระวินยัยปิฎกแล้วก็ท่านราชบัณฑิตอจจะเก่งในทาง เอาไว้พริโบโหานปฏิภาณการตีความอะไรตะะไรต่างๆเดีย๋ยวจะกคุณเทพมงคลรัตนมุนีเนี่ยอาจะละเมียดละไมหนจ่การรีดขนมทำนียประเพณีระเบียบปินัยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปศึกษากันท่านไปสอบถามท่านก็ทำใหม้มันเกิดความมั่นใจคือก็ต้องของหาผู้ให ญ, ผใหญ่ผู้ใหญ่จะดุดจะด่าอะไรอะไรก็กฟัง การว่ากล่าวตักเตือนกันเนี่ยก็ะทำโดยเมตตาจะต่อหน้ารับหลังก็ตามแต่รับหลังเราก็เตือนไม่ได้นะฮะคือเตือนก็เตือนกันต่อหน้าแต่ว่าอย่าให้ประจิตประเจิดมาเกิดไปคือถ้ามาคุยกันสองคนได้จะดีที่สุดแล้วก็ให้ท่านคิดแต่สินแจว เ, เอง เพราะว่าคนถ้าเราซื่อสัตย์ด้วยตัวเองแล้วก็จะพูดง่ายเพมืนก็ทรงวางหลักเอาไว้ว่าบันดิตควรสอนควรพร่ำสอนและควรห้ามเสียจากกรรมของอสัตว์ุรุษแต่เนี่คือบางครั้งเนี่ยคนก็ไม่ชอบหรอกแต่เราสงสารเขวอะทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไม อายุอนามขนาดนี้อีกกี่วันคุณจะตายแล้วและททำไมไปสร้างบาปเพิ่มบาปขึ้นมาทำอะไรเมื่อก็รู้สึกรู้สึกอย่างเนี้ยที่แม้จะไม่มั่นใจว่าคนจะฟังรายการวิทยุเท่าไหร่แต่เราก็สุขใจที่ได้พูดหรือว่ามีคนฟังบ้างคนเข้าใจคนเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเตือนจิตสกิจใจไปบ้างก็เป็นบุญที่เราได้ทำอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เหน็ดเหนื่นยนอยเช่นเดือนก่อนเดือนเดนสิงหาที่ไปสุราษฎร์พูดเดินทางตั้งเท่าไหร่อะสิบสามชั่วโมงแต่ไปพูดแค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีเพราะมีติมีตัวแทนนะฮะศาสนานะครับ แต่ส ถ, ถานการณ์อย่างนั้นมันก็ควรโปรมีทั้งพระทั้งโยมในห้องประชุมนั้นก็เป็นพันละแล้วก็สําคัญ ย, ยิ่งก็คือมีทุกศาสนามันก็ทําให้เวลาน้อยแต่ว่าก็มีน้ําหนักก็ได้ประโยชน์พระตักรถาจารย์ท่านบอกว่าท่านเหล่านั้นเรียนกรรมฐ า, านในสํานักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชวนกันไปอยู่ในป่า เพราการเหล่านี้เรื่องมันน่าจะเกิดน่าจะเกิดตอนที่พระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เนะี่ยคือท่านบอกว่าไกลไกลพระพุทธเจ้าอาการปฏิบัติตนของคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามอย่าไปเกี่ยวกับพระมากคือมนุษย์เดียต้องรับผิดชอบในศีลธรรม เพื่อนี้เราชอบเกณฑ์ปรับคนนั้นเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมดาก็หยาบหยาบคายๆตัวเองศีลยังไม่มีเลยไปพูดถึงจริยธรรมของคนอื่นมันเป็นเรื่องน่าอับอายอ่ะแล้วยังไม่รู้สึกตัวยังนึกว่าคนทำไนี้แปลกโดยเฉพาะพวกที่ออกมาเคลื่อนไหวในที่ต่างๆแม้แต่ผู้สื่อทั้งหลายเนี่ยก็ ก, ก, ก็ก็แปลกอะนะพวกนี้ทําไมไม่ ไม่ตรวจสอบตนเองว่าเราโครนมาล้างโครนเนี่ยมันไม่หายเปื้อนหรอกถล้างโครนต้องล้างเลยนะครับผลการแสดงชี้แจงเหตุผลอะไรก็ตามต้องกระทำด้วยสุจริตยอย่างที่เทวดากระทำเนี่ยต้องฟังแต่ละ เชงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไพบูรในธรรมจุมมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี